เขาตกแต่งเครื่องบูชายันทุกสิ่งแล้วเมื่อพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารประทับนั่งเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาล ร, ราชประนมอัญชลีสเสด็จ ด, ดำเนินเวียนในระหว่างบริษัททั้งตวงทรงกระทํำสัจจะกิริยาว่ากันดหาละผู้มีปัญญาสามได้กระทํากรรมชั่วด้วยความสัตย์ใด ด้วยการกล he well hmm. ่าวความสัตย์นั้นขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีอมนุษ์ที่มีอยู่ในที่นี้ยักษ์สัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิดก็ดีขอจงกระทาความขวนขวายช่วยเหลือข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วในที่นี้วงสัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิด ขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งผู้สแสวงหาที่พึ่งข้าพเจ้าขอวิงบอนท่านทั้งหลายขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยอมนุษย์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของพระนางจันทาเทวีนั้นแล้วทรงกัดแกว่งค้อนเหล็กยังความกลัวให้เกิดแก่พระเจ้าเอกราชนั้นแลได้ตรัสกับพระราชาว่า พระราชากาลีท่านจงรู้ไว้อย่าให้เราตีเสียงของท่านด้วยคอ้อนเหล็กนี้ท่านอย่าได้ข่าบุตรองค์ใหญ่ผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องค์อาจดังราชสีพระราชากาลีท่านเคยเห็นที่ไหนคนผู้ปรารถนาสวรรค์ข้าบุตรภรยาเศรษฐีและคฤรหบดีผู้ไม่คิดประทุษร้าย กันดหาละปุโรหิตและพระราชาได้ฟังพระดำรัสของท้าวสักกะได้เห็นรูปอันน่าอัศจรรย์แล้วให้เปลื้องเครื่องพันธนาการของสัตว์ทั้งปวงเหมือนดังเปลื้องเครื่องพันธนาการของคนผู้ไม่มีความชั่วเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดค้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่ประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นทุกคนเอาก้อนดินคนละก้อนทุ่มลง การฆ่าซึ่งกัรดหาละปุโรหิตได้มีแล้วคนกระทำกรรมชั่วต้องเข้าถึงนรกทั้งหมดชั้นใดคนทำกรรมชั่วแล้วจากโลกนี้ไปก็ไม่พึงได้การไปสู่สุคติชั้นนั้นเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่มาประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือราชบุรุษทั้งหลาย ประชุมกันอภิเศกพระจันทกุมารเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่มาประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือราชกัญญาทั้งหลายประชุมกันอภิเศกพระจันทกุมารเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่มาประชุมกันอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือเทพบริสัท์ทั้งหลาย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 ประชุมพร้อมกันต่างแกวงผ้าและโบกธงเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่มาประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือราชกัญญาทั้งหลายประชุมพร้อมกันต่างแกวงผ้าและโบกธงเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่มาประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือเทพบริษัททั้งหลายประชุมพร้อมกัน ต่างแว่งผ้าและโบกธงเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่มาประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือเทพกัญญาทั้งหลายประชุมพร้อมกันต่างแคว่งผ้าและโบกธงเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วชนเป็นอันมากต่างก็รื่นรมยินดีพวกเขาได้ประกาศความยินดี ในเวลาที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครและได้ประกาศให้สัตว์หลุดพ้นจากเครื่องจองจำจันทกุมารชาดกที่เจ็ดจบ